มีพวกหนงสือพวกซีดีแจกใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเวลาจะกลับไปหยิบไปก็ได้วันนี้ฝนฟ้าอากาศก็เมื่อคลึงหน่อยเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเขาไม่แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความจริงร่างกายของเราชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราพรยายามที่จะผื้นธรรมชาติแก่ เสียงมัก็ดังเราจะไปห้ามให้ฝนไม่ตกก็ไม่ได้สมมติว่าถ้าฝนตกเราก็ต้องปรับสภาพของเราให้เข้ากับความจริงถ้าฝนตกเสียงดังเราก็ไม่พูดไม่ฟังกันเราก็นั่งเฉยๆทําใจให้สงบกันปัญหาก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดเพราะว่า เราอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะฟังแต่ฝนตกเสียงดังเราพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็จะมีความอึดอัดลำคาญใจขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่ยอมรับความจริงใจมีความอยากที่จะทําในสิ่งที่เฟินกับความเป็นจริง เรามีความอยากจะทําในสิ่งที่ฝืนกับความเป็นจริงเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความจริงของของจิตใจของเราจิตใจของเราทุกข์เพราะฝืนความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่รู้ความจริงไม่ยามมองความจริงกันการไม่มองความจริงจึงทําให้เรามอง มองไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงเราก็ทําฝืนความจริงพอฝืนความจริงเราก็เกิดความทุกข์ใจกันไม่สบายใจเลยความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ตรงที่พวกเราไม่รู้ความจริงไม่ศึกษาความจริงกันไม่ศึกษาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้มามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราศึกษาความจริงอยูย่ตลอดเวลาศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้ตายตัวได้ให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้เสมอไปบางเวลาเราก็กำหนดได้สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้กำหนดไม่ได้ เราจึงต้องพยายามปรับใจของเราให้เข้ากับเหตุการณ์เข้ากับความจริงถึงแม้ว่าเราจะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เราก็ต้องปรับใจตัวเราเองเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากถ้าไม่ได้อย่างนี้ เอาอย่างนั้นก็ได้สมมติว่าถ้าอยากจะให้ฝนฟ้าอากาศไม่แปรปรวนให้แดดออกอแต่ตอนนี้ฝนมันตกฝนฟ้าแปรปรวนมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งเสียง เ, เราก็เปลี่ยนใจเอาอย่างนี้ก็ได้วันนี้ฝนเป๊ะวันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เราก็เอาอย่างนี้เราก็ปรับใจของเราให้อยู่กับสภาพความเป็นจริงเช่นวันนี้ถ้าออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากบ้านอยู่บ้านไปถ้าฝนตกเสียงดังพูดกันฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดก็หยุดเราก็นั่งเฉยๆเราก็มาเปลี่ยนกิจกรรมได้ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็มานั่งสมาธิกันก็ได้ ถ้าเราปรับใจของเราให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ไม่ขัดไม่ฝืนกับเหตุการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ใจของเราจะไม่มีวันทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราปรับใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ได้เสมอถ้าเราฝึกฝนอบรมสอนจิตใจให้รู้จักการปรับตัวเองไม่ให้ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สภาพหนึ่งสภาพใดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดให้เราเตรียมรบับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะต่างๆตลอดเวล า, ถ, า, าถ้าเราฝึกถ้าเราฝึกฝนอบรมใจของเราเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถพลิกใจปรับใจของเรา ให้เข้ากับสถานการณ์ให้มีความสุขกับทุกสถานการณ์ได้ตอนนี้เรายังปรับกันไม่ได้เรายังมีความยึดติดกับสภาวะต่างๆอยู่พอสภาวะต่างๆที่เรายึดติดอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเราก็พยายามที่จะปรับสภาวะให้กลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นการกระทําฝืนความจริง เป็นการกระทำที่เหนื่อยและไม่ไม่ได้ผลและยุ่งยากไม่เหมือนกับการปรับสภาวะจิตใจของเราให้เข้ากับสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่เช่นร้อนเราก็ปรับใจเราให้รับความร้อนถ้าเรารับความร้อนได้เราก็ไม่ต้องไปปรับอากาศไม่ต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศไม่ต้องไปซื้อพัดลม หรือว่าถ้าเราจะปรับก็ปรับแบบง่ายๆแบบตามธรรมชาติถ้าร้อนมากท่ามีน้ําอาบก็อาบน้ําักหน่อยหรือเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตัวสัหน่อยให้มันคลายความร้อนลงไปบ้างแต่มันก็สู้ปรับใจไม่ได้ถ้าเราปรับใจของเราให้รับกับความร้อนได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรร้อนเราก็อยู่ได้ ร้อนเราก็มีความสุขได้เย็นก็มีความสุขได้ฝนตกก็มีความสุขได้ถ้าใจเราปรับให้รับกับความเป็นจริงได้ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบจะไม่ต่อต้านจะไม่ต่อสู้ถ้ามีการต่อต้านต่อสู้ก็มีความอยากมีความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือธรรมชาติของใจที่เราต้องศึกษาแล้วก็พยายามสอนใจให้เข้ากับให้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเราก็รับกับนไป แม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติเหมือนกันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราบางวันก็สุขสบายบางวันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอาญารยขยับเข้ามาตรงนี้หน่อยจะได้ให้ผู้ที่มาขึ้นมาครับนั่งข้างบนนี้ก็ได้ผู้ชายขึ้นมาครับจะได้จะได้แบบ คนมากเราก็ต้องปรับกันปรับที่ปรับทางอรับไปเท่าที่เราจะปรับได้ทำได้ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ตรงที่เราไม่ยอมปรับตัวเองเราชอบไปปรับคนอื่นเราเห็นอะไรเราไม่ชอบใจเราแทนที่เราจะปรับใจเราให้ชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเรากลับพยายามไปปรับสิ่งที่ไม่ชอบ ให้ทำตามใจของเราให้เราชอบมันก็เลยวุ่นวายเพราะสิ่งที่เราจะไปปรับนั้นบางทีเขาก็ให้เราปรับบางทีเขาก็ไม่ละให้เราปรับพอเขาไม่ให้เราปรับเราก็มีความไม่สบายใจทุกใจแต่ถ้าเราปรับใจเราให้รับกับสภาพหรือบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเราก็หัดชอบเสีย พอเราชอบแล้วต่อไปเราก็อยู่กับเขาได้เช่นเราไม่ชอบรับประทานของเผ็ดแต่เราไปอยู่กับบ้านที่เขาทำแต่ของเผ็ดทุกทุกวันเขาก็ทำของเผ็ดเผ็ดมาให้รับประทานเราจะบอกให้เขาไม่ไม่ทำของเผ็ดเขาก็ไม่ไม่ทาตามเพราะเขาเคยรับประทานของเขาอยู่อย่างนี้เราก็พยายามหัดรับประทานหัดชอบของเผ็ดไป พอเรารับประทานไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะชอบมันเองจะติดใจแล้วต่อไปเราก็จะรับประทานของเผ็ดได้เหมือนเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเราต้องรับประทานอาหารที่แปลกจากอาหารที่เราเคยรับประทานเราก็มักจะไม่อยากจะรับประทานเราก็พยายามที่จะรับประทานอาหารที่เราเคยรับประทานมาแต่ถ้าเราหัดรับประทานของที่เราไม่เคยรับประทาน ไม่มาก็อาจจะรู้รู้สึกไม่อร่ออร่อยไม่น่ารับประทานแต่ถ้าเราพยายามรับประทานไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะรับประทานได้พอเกิดความเคยชินแล้วก็วจะไม่เกิดการต่อต้านขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะรับประทานได้เหมือนกับคนที่เขารับประทานกันคนอื่นทําไมเขารับประทานยับได้อย่าง อ, ร, อร่อยทําไมเรารับประทานไม่ได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยรับประทานแล้วพอเราไม่เคยรับประทานเราก็ไม่อยากจะรับประทานเรามีความต่อต้านอยากจะรับประทานอาหารที่เราเคยรับประทานอาหารที่เราไม่เคยรับประทานเราก็จะไม่อยากจะรับประทานพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดันั้นปัญหาของเราอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่บุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพราะบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เรามาเกิดแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วปัญหาอยู่ที่เราไม่สามารถปรับตัวเองให้รับกับไม่สามารถอยู่กับเขาได้ความจริงแล้วเรา เราปรับตัวเองได้ให้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้มีความสุขให้มีความสบายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่ามีคนปรับมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอาารหันตสาวกทั้งหลายท่านปรับใจของท่านให้เป็นกลางคือไม่ไม่ให้ไม่ให้รักไม่ให้ชังถ้าใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางใจจะ รับกับทุกอย่างได้การจะทำใจให้เป็นกลางก็ต้องทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจจะอยู่ในภาวะที่เป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขาพอเรามีอุเบกขาแล้วทีนี้เราก็จะสามารถที่จะควบคุมใจของเราให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาได้ ตอนต้นเราต้องอาศัยการทำสมาธิก่อนเพื่อดึงใจให้เข้าจุดที่เป็นกลางตอนนี้ใจของเราไม่ยอมอยู่ตรงกลางใจเราจะแกว่งไประหว่างความรักกับความชังจะไม่อยู่ตรงกลางคือเฉยเฉยไม่รักไม่ชังถ้าเราทำฝึกทำสมาธิต่อไปใจของเราก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางพอเข้าสู่ความเป็นกลางได้แล้ว ทีนี้เราก็จะสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีเราก็จะทำใจเฉยๆได้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นความจริงไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกระเทือนใจเลยความกระเทือนใจนี้เกิดจากใจเป็นผู้สั่นขึ้นมาเองเห็นอะไรแล้วใจไม่นิ่ง ใจสั่นขึ้นมาเองเพราะใจไม่เคยถูกฝึกให้อยู่นิ่งๆให้อยู่ตรงกลางให้เป็นอุเบกขาใจถูกปล่อยให้กิ้งไปกิ้งมาตามความชอบตามความชังถ้าเห็นอะไรชอบก็จะกิ้งเข้าหาถ้าเห็นอะไรไม่ชอบก็จะกิ้งหนีจะถอยก็จะเกิดการหวั่นไหวทั้งขณะที่เข้าหาและขณะที่ถอยออก แต่ถ้าเราสึกใจให้อยู่เป็นกลางไม่กิ้งไปกิ้งมาเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวจะไม่สั่นสะเทือนแต่อย่างใดนี่แหละคือเรื่องของใจของพวกเราที่ของเราไม่รู้จักควบคุมรักษาให้อยู่ในสภาพที่ ให้ความสงบให้ความสุขกับเราไปตลอดต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วเอาความรู้นี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราสอนให้พวกเรารู้ทันสภาวะความเป็นจริงต่างๆให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามารับรู้มาสัมผัสนี้เป็นสิ่งที่เราเพียงรับรู้สัมผัสเท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ที่แตะต้องเลยผู้ที่แตะต้องสิ่งต่างๆนี้เป็นร่างกายเช่นร่างกายเราแตะต้องกับความร้อนความหนาวแตะต้องกับข้าวของต่างๆ อ, อ, งอาหารอะไรต่างๆที่รับประทานเข้าไปนี้ร่างกายเป็นผู้แตะต้องใจเป็นเพียงผู้รับรู้การสัมผัสการแตะต้องของร่างกายเท่านั้น ใจไม่ได้รับประทานอาหารกับร่างกายแต่ใจกลับไปวุ่นวาย ก, กับการรับประทานอาหารของร่างกายต้องรับประทานอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ชนิดนั้นชนิดนี้ถึงจะมีความสุขร่างกายเขาไม่ได้บ่นไม่ได้วุ่นวายกับการรับประทานเลยเราเอาอาหารอะไรป้อนเข้าไปในร่างกายร่างกายเขาก็รับได้ อาหารเข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายอิ่มมันก็จบเท่นั้นเองแต่ใจของเรานี้มันไม่มันไม่อิ่มมันไม่สุขถ้ารับอาหารที่ไม่ถูกปากไม่ไม่ถูกใจเพราะว่าใจเราเป็นผู้คิดขึ้นมาเองคิดว่าอาหารแบบนี้ถึงจะดีอาหารแบบนี้ถึงจะให้ความสุขกับเรา ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ความสุขแต่ความจริงใจไม่ได้รับประทานเลยผู้ที่รับประทานก็คือร่างกายใจเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของร่างกายที่ป้อนอาหารใส่เข้าไปในร่างกายแล้วเพียงแต่รับรู้กลิ่นรสของอาหารที่เข้าไปในร่างกายเท่านั้นเองใจไม่ได้รับประทานอาหารใจไม่ได้อิ่มตามร่างกาย เพียงแต่รับรู้ความรู้สึกของความอิ่มของร่างกายถ้าใจอยู่ในความสงบได้ใจจะมีความอิ่มที่จะทำให้ไม่ต้องกังวลกับความอิ่มของร่างกายร่างกายจะอิ่มไม่อิ่มไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความอิ่มร่างกายจะอดอาหารไปสี่ห้าวันอย่างที่พระพุทธเจ้าสองอดตกายอาหาร ถึงสี่สิบเก้าวันแต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดือดร้อนเพราะทรงมีความสงบมีสมาธิมีอุเบกขามีความอิ่มใจดัง น, นั้นเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายผ่านทางร่างกายนี้เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่ได้มาถึงใจใจเป็นเพียงแต่เป็นผู้รับรู้เป็นผู้ดูเฉยๆเท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับผู้ที่ดูภาพยนตร์ผู้ที่ดูภาพยนตร์นี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผู้ดูภาพยนตร์กลับไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในในภาพยนตร์เพราะปล่อยให้ใจปล่อยให้อารมณ์ไหลไปตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเลยเหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในภาพยนตร์แต่ความจริงตนเองเป็นผู้นั่งดูเฉย ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในภา พ, พยนตร์จะเกิดระเบิดจะเกิดการฆ่าฟันกันตายอย่างไรก็เป็นเพียงภา พ, พยนตร์เท่านั้นไม่ได้เกิดกับคนดูนี่คือนี่คือใจของเรากับสิ่งต่างๆที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นเหมือนภา พ, พยนต์เป็นเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอภา พ, พยนต์ ใจเป็นเหมือนผู้ดูเพียงแต่ว่าใจหลงไปกับสิ่งที่ได้ดได้ดูได้เห็นแล้วก็ไปคิดว่าเป็นผู้อยู่ในภาพยนตร์นั้นจึงเกิดความความสุขความทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในจอภาพยะนตร์แต่พอภาพยะนตร์จบลงคนดูก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เสียอะไรกับ ภาพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์อาจจะจบคนที่แสดงได้เป็นมหาเศรษฐีคนดูก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่อย่างใดคนดูก็ออกจากโรงไปเคยเข้ามาอย่างไรก็ออกไปอย่างนั้นใจก็เหมือนกันใจมาได้น่างกายเป็นเป็นเหมือนกับ เ, เป็นเหมือนกับบัตรเข้าโรงภาพยนตร์ เข้าไปดูภาพประโยชน์พอร่างกายตายไปใจก็ออกจากโรงภาพประโยชน์นั้นไปใจก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในในโรงภาพประโยชน์เร่ร่างกายเราได้ร่างกายนี้มาแล้วร่างกายเราก็มาทำนู่นทำนี่หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มาแล้วพอร่างกายตายไป ใจก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับใจเลยใจก็ไปตัวเปล่าๆเหมือนเดิมถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้ไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัส ร, รับรู้ผ่านทางร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ให้เรารับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับดูภาพยนต์ สิ่งต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นการการรับรู้เฉยๆเป็นการดูภาพประยุ์ไปเท่านั้นไม่ได้เป็นของกินของจังแต่อย่างใดพอร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้ที่ได้ รับมาผ่านทางร่างกายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปใจที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปไปข้างหน้าต่อไปไปด้วยถ้ามีความอยากก็จะไปหาโรงภาพยนตร์หาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้เข้าไปดูภาพยนตร์โรงใหม่ต่อไปแต่ถ้าใจที่เบื่อกับการที่จะต้องไปหาร่างกาย แล้วก็ไปเหนื่อยยากไปทุกข์กับการาหาสิ่งต่างๆรักษาสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปในที่สุดก็ถ้าหยุดความอยากที่จะไปหาสิ่งต่างๆได้หาความสุขทางผ่านทางร่างกายได้ต่อไปใจก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะว่าหามาได้กี่ร่างมันก็เป็น ความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบที่เราเข้าไปดูในโรงภาพยนต์ชั่วสองชั่วโมงเป็นความเพลิดเพลินมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์แล้วมันก็หมดไปพอออกจากโรงภาพยนต์เราก็ไม่มีอะไรติดมากับเราเราอยากจะดูอีกเราก็ต้องไปหาโรงภาพยนต์โรงใหม่ดูต่อนี่คือเรื่องของการเวียนว่าตายเกิด โดยอํานาจของความอยากของเราคือเราไม่ยอมปรับใจเราให้อยู่กับให้รับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรายังอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราก็เลยต้องไปหาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็หนีแล้วก็ไปหาสิ่งที่เราชอบหาไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวัน อิ่มไม่มีวันพอหามาได้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะหาใหม่อยากจะได้ใหม่พอร่างกายตายไปแต่ความอยากยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะฉุดร่างให้เราไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเราอีกการหาอะไรตามความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เราจะต้องทุกข์ใจวุ่นวายใจ เดือดร้อนใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างสบายเราสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เราสามารถมีความสุขรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะใจเราไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เรารับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะใจไม่ได้มีความยินดี ไม่มีความอยากได้อะไรแล้วใจมีความสุขมีความอิ่มอยู่ภายในใจนี่คือสิ่งที่เราควรทาก็คือทำให้ใจของเราอิ่มทำให้ใจของเราพอทำให้ใจของเราไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าถ้าเราทำได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเกิดเรามีความสุขในตัวของเราเอง เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกข์แท้มาด้วยเวลาเรามีความสุขกับสิ่งใดเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอสิ่งนั้นไม่อยู่กับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่อยู่กับเราเราก็ไม่ค่อยสบายใจเราก็ มีความวิตกความกังวลว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่พอเขาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจของเราแนะล้วมีความอิ่นความพอแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรา เราสามารถมีความสุขอยู่ในตัวเราได้ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่มีวันสูนไม่มีวันหมดไปถ้าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาดัง น, นั้นพวกเราควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขแทนที่เราจะหาความสุขผ่านทางร่างกายให้เรามาหาความสุขทางใจดีกว่า การหาความสุขทางใจก็ต้องปล่อยวางความสุขทางร่างกายเราต้องหยุดการหาความสุขเช่นหยุดหาเงินหาทองหยุดใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆซื้อสิ่งของต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขเราก็จะได้มีไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทอง เราไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาสร้างความสุขภายในใจของเราเพราะการสร้างความสุขภายในใจนี้จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและจะต้องทําอย่าง อ, าอยู่อยู่แบบอยู่คนเดียวต้องอยู่ตปลืกมิเวกถึงจะสามารถสร้างความสุขภายในใจได้ถ้าเราไม่มีเวลา ถ้าเราต้องยังทํามาหากินต้องหาเงินหาทองเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะไม่สามารถมาทำใจของเราให้สงบให้กับความสุขได้แต่ถ้าเราหยุดการหาเงินหาทองได้ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆจะใช้เงินทองก็เพียงแต่เพื่อ ดูแลรักษาร่างกายเช่นซื้ออาหารมาวัดประทานเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต้องใช้เงินท่ามากเราอาจจะหาเงินทองไว้สักก้อนหนึ่งหรือไม่ฉะนั้นเราก็ไปอยู่แบบนักบวชที่มีผู้อื่นคอยสนับสนุนเรื่องอาหารเนื่องที่อยู่อาศัยให้กับเราเพื่อเราจะได้มีเวลาสร้างความสุขสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจของเรา การจะสร้างความสุขการสงบนี้ต้องอยู่ตามลาพังต้องติว้วเว้ต้องอยู่ตามสถานที่ที่สงบสงบัดไม่มีแสงสีเสียงต่างๆมายั่วยวนกวนใจมารอให้เกิดความอยากถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะทุกขทรมานจะทนอยู่ตามลาพังไม่ได้จะต้องวิ่งเข้าหาแสงสีเสียงเพื่อจะได้มาอ่า ตอบสนองความอยากเพื่อจะได้มาดับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากแต่ก็เป็นการระ ง, งับเพียงชั่วคราวไม่นานต่อมาเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องอยู่ติดกับการเสด็แสงสีเสียงไปอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้การที่จะทำใจให้สงบได้ให้มีความสุขที่แท้จริงได้จึงต้องปีกุเว ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงเช่นไปอยู่ตามวัดที่มีความสงบวัดป่าวัดเขาต่างๆที่ไม่มีแสงสีเสียงคอยมาล่อใจให้เกิดความอยากวัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่มีไฟฟ้าเพื่อจะได้ตัดขนทางของการเอาแสงสีเสียงเข้ามาถ้ามีไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาได้มีสิ่งบันเทิงแสงสีเสียงต่างๆเข้ามา ใจที่ยังไม่มีกำลังต่อต้านพออยู่ใกล้แสงสีเสียงก็จะถูกแสงสีเสียงดูดกลับเข้าไปให้ติดอยู่จะไม่มีเวลามาเาจเริญสติไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้ก็จะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขความสงบได้ดังนั้นการที่จะหาความสุขที่แท้จริงด้นี้จึงต้องตัด ความสุขที่ไม่แท้จริงออกไปตอนนี้พวกเรากำลังติดอยู่กับความสุขปลอมคือความสุขชั่วคราวความสุขที่เกิดจากการกระทาตามความอยากอยากในรูปเสียงกิ่นดนสดเราก็ไปหารูปเสียงกิ่นดนสมาเสพพอเสพแล้วเราก็ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเราก็เกิดความอยากที่จะเสพเวลาใดที่เราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัส เวลานั้นเราก้องจะเกิกบความเศ้าชร้อยเกิดความหมดสิทธกิดความหมเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราเบื่อกับความสุขแบบนี้เราอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ถาวรความสุขที่ทพระพุทธเจ้าและพรสาวกทั้งหลายได้รับกันเราก็ต้องตัดความสุขที่ไม่ดีนี้ทิ้งไปอย่าไปเสียดาย ตอนที่ตัดก็อาจจะทุกข์บ้างทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามีความเพียรที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆพยายามปิดวิเวกอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ความสุขเดิมๆที่คอยจะดึงดูดให้นองกลับไปถ้าเราไม่คิดถึงความสุขเหล่านั้นใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือการสวดมนต์ไปก็ได้จะสวดกาสตรบทใดก็ได้สวดไปเวลาสวดล้วใจของเราจะไม่มีระาาที่จะไปคิดถึงความสุขเดิมๆความสุขที่เราทิ้งไปเราก็จะไ ม, ไม่ไม่ได้เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบนั้นแล้วถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดถึงความอยากต่างๆได้เราก็จะสามารถทาใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้นี่เป็นงานที่เราต้องทำเป็นงานที่เราจะต้องบังคับตัวเราเองให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆให้ควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้ปล่อยให้ความคิดคิดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคิดไปถึงความสุขเก่าๆทั้งหลายที่เราเคยที่เราเคยเสกเคยสัมผัสมาถ้าเราจะคิดก็ ให้ใช้ปัญญาสอนว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขพราะมันเป็นความสุขแบบของคนที่ติดยาเสพติดตอนนี้เราต้องการที่จะเลิกเสพยาเสพติดเราก็ต้องไม่กลับไปเสพมันอีกถึงแม้จะเกิดความอยากอยากจะเสพเราก็ต้องบังคับฝืนมันอย่าไปเสพแล้วก็บังคับให้เจริญสติให้ภาวนาให้พุทโธพุทโธให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมอยู่ ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติก็จะมีกํำลังมากขึ้นก็จะสามารถควบคุมความคิดให้ดีขึ้นความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบเดิมๆก็จะมีน้อยลงไปตามลําดับจนต่อไปก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยก็เป็นเหมือนกับคนที่เลิกจิตยาเลิกเลิกเสพยาเสพติดได้พอไม่ต้องเสพยาเสพติดได้ก็สบายแล้ว ไม่ต้องไปก่อยหายาเสพติดมาเสพอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนตามลาพังก็มีความสุขได้ตอนนี้พวกเรายังติดกับลูปเสียงกินรถติดกับแสงสีเสียงอยู่ถ้าเราอยากจะเลิกเสพเราก็ต้องอย่าไปเสพมันเราใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความอยากใช้สติต่อสู้ใช้สมาธิต่อสู้ใช้ปัญญาต่อสู้ ตก็คือควบคุมใจให้มีให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธสมาธิก็คือนั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกจนจิต ร, รวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งสัตธว่ารู้เป็นเอกตารลมนิ่งสงบมีอุเบกขามีความสุขพอเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วก็ออกจากสมาธิมาเราก็รักษา ความสุกนี้ด้วยการใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอยากกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกยินก้นกายเพราะถ้ากลับไปก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็ต้องเสกอยู่เรื่อยๆก็ต้องทุกเวลาที่ไม่ได้เสกทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจแบบนี้ใจก็จะไม่กลับไปใจก็จะฝืนความอยากต่อต้านความอยากและหยุดความอยาก พอหมดกำลังแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าเหมือนกับสติสมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคนี่ถ้าโรคหมดถ้าเชื่อโรคตายไปหมดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยายต่อไปถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาต่อไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อะจะจ ะ, จะทิ้งไปหรืออย่างไรสติสมาธิปัญญาก็ยังมีอยู่กับใจก็สามารถใช้ได้ตามตามเวลาตามที่ต้องการหากมีความจำเป็นถ้ายังมีความอยากหลงเหลือขึ้นมาหรือโผล่ขึ้นมาอยู่ก็าสามารถที่จะใช้สติสมาธิปัญญาดับมันได้เหมือนกับยาถ้าโรคไม่กำเริบแล้วเราก็หยุดกินยาได้ พอโรคกำเริบขึ้นมาใหม่เราก็ยังมียาอยู่เราก็รับประทานต่อไปรับประทานจะมาทั่ทงโรคไม่กำเริบนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขให้แก่ใจของเราด้วยการหยุดความอยากด้วยการรัดใจของเราให้เข่าอยู่ตรงกลางให้รับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจ ะ, จะเจริญหรือเสื่อม จะดีหรือไม่ดีเพราะความเห็งเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายมาลบล้างใจได้เลยใจเป็นเพียงผู้ดูภาพยนต์เหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเหมือนภาพยนต์เท่านั้นเองแต่ใจผู้ที่ดูภาพยนต์นี้ไปหลงคิดว่าอยู่ในอยู่ในภาพยนต์เราจึงต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิดึงใจให้ออกจากภาพยนต์ออกมา อย่าไปเป็นตัวแสดงอย่าไปเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพไปยมให้ออกมาเป็นเป็นผู้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เห็น อ, อะไรก็สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเพราะถ้าดีใจเสียใจก็จะเกิ ด, ดกความยินดียินได้เกิดควา ม, ากมาเกิดความยากขึ้นมาพอเกิดความยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาทาให้ใจอยู่ อยู่เป็นกลางไม่ได้พอใจไม่อยู่เป็นกลางออกจากความเป็นกลางเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเราต้องเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอบรู้อยู่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงภาพประโยชน์เท่านั้นเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถที่จะมาทาลายใจของเราได้ ใจเราเป็นผู้ทำร้ายใจของเราเองทำร้ายใจของเราพวกเราเองด้วยความหลงที่หลงไปคิดว่าเราอยู่ในภาพเราอยู่ในเหตุการ์ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายไปคิดว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรเราเป็นไปตามเป็นไปกับร่างกายาจัิงทร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นลูกจ้างเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้มารับรู้ เหตุการณ์ต่างๆผ่านทางตาหูจมูกวิ้นกายเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายเพราะเราไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกายร่างกายจะได้เงินมาร้อยล้านพันล้านใจก็ไม่ได้เงินร้อยล้านพันล้านนั้นร่างกายจะเสียทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองเสียร่างกายแไปใจก็ไม่ได้เสียไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือความจริงที่เราต้อง ที่เราจะต้องคอยพยายามสอนใจเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราันคิดว่าเป็นเพียงภาพยนตร์เป็นตัวละครที่เราดูเราเป็นผู้ดูตัวละครจะได้จะเสียก็เป็นเป็นเรื่องของตัวละครไม่ใช่เรื่องของคนดูคนดูไม่ได้ไม่เสียใจอย่างใดพอออกจากหลวงละครไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วย วิธีที่จะดึงใจให้เราออกจากความหลงก็ต้องใช้สติต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญานี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงภาพพยนต์เราเป็นคนดูเราอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพพยนต์เราเป็นผู้ดูภาพพยนต์เท่านั้นเอง เราต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเราเอาติดตัวไปไม่ได้เราไม่เอาใครไปกับเราไม่ได้เลยเอาราบยศสารเสริญไปไม่ได้เอาคนนั่นคนนี้ไปไม่ได้เอาสิ่งนั่งสิ่งนี้ไปไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจและเรามีสติสมาธิคอยดึงใจไม่ให้เข้าไป วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะไม่มีวันที่จะต้องทุกกับเหตุการณ์ ต, ต่างๆต่อไปและเราก็จะไม่กลับมาหาเรื่องเราต่างๆเหล่านี้เราก็จะเบื่อกับการดูภาพพยน์เพราะเราดูไปก็เท่านั้นเราไม่ได้ไม่เสียดูไปแล้วก็เหนื่อยไปเปล่าๆเหนื่อยไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอภาพพยนต์เราก็จะเริกดูภาพพยนเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบ อยู่กับความสุดที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปนี่แหละเกิใจของผู้ที่ได้บรรลุธรรมใจของผู้ที่รู้ความจริงรู้เหตุรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเราเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเองถ้าเรารู้โดยที่ไม่มีความยึดความติดไม่มีความอยาก เราก็รู้อย่างความอยู่รู้อย่างสงบรู้อย่างสบายถ้าเราถ้าเราหลงเราก็จะวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เรารับรู้ถ้าเราจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เ, เสื่อมไปหมดไปเราก็จะเกิดแบบความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาดังนั้นพวกเราจึงต้องพยายามฝึกเออ่ สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นที่การหยุดเนือลดละการหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านผ่านทางการผ่านผ่านการใช้เงินใช้ทองถ้าเราลดการใช้เงินใช้ทองลงเราก็จะได้ลดการหาเงินหาทองลงเราจะได้มีเวลามามามาสร้าง ส, างสติสมาธิและปัญญา ที่จะทําให้เราได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ต่อไปอแสดงก็คิดว่าพอสมควรเก็บเวลาก็ขอทักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ท่านผู้ใดถ้ายังไม่ได้ถวายข้าวของอยากจะถวายข้าวของ หรือต้องการมาหยิบหนังสือซีดีก็ขอเชิญเข้ามาได้เพื่อเปิดทางให้เข้าเข้าและออกโดเข้าเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งมันจะได้สะดวกเข้าทางข้างในแล้วก็ออกทางทางด้านหน้ามิไฟ mm hmm. Have you got a place to stay? Mm hmm. Yeah, that's o o n g o a n b o t h e other. Ringo, y e a yeah. The o t h t I've got the b i So we a n do the rest of it. Okay. Yeah. <laughs> Is there anything you want to ask? w e a We stayed here o so we have stayed for mm -hmm. six days. So okay. Uh -huh. other think okay. Uh -huh. so, But y o can come up here every day from two to four o'clock. That's when people come. Anybody can come and listen to d h a m m a or discuss d h a m m a Two to four, or in the morning at the sala. m o r n i n e o o'clock. We can e o all the way to get guidance from the e e r Yeah. Okay. You have to ask, w h a t you want to know. Ah. Uh, we uh, can wait? come tomorrow. Okay. No, no, no. No, no. k a y but you, you, you, know where to go to get can your, call your. Okay. We uh, you call you e e r y day. When we come there, call back. We only call. Or the Singaporean mark. t e t s Tan uh, Yue. Tan Yue. Yeah. Okay. Yeah. I think he had already made arrangement for you. y e l l die. h e dead. He's <laughs> dead. He's dead. We're just a lot. แต่าสีลังกาแต่ไปอยู่สารัฐริกาไปไงมีอะไรถามต่อป่ะอขอถามในฐานะที่คือมีครับมีคนหลายคนที่รู้สึกวันไหวากับการที่วาจาบางองค์ที่ท่านบวดมาประมาณสามสิบถึสสิบปีหรือส่สิบปีกว่าเป็ยาสีขาวกัไปซึ่ง หนูก็เข้าใจว่าผู้ที่ถามเนี่ยหรือฝากมาถามเขามีอิสระ ย, ยากาอ่อนอยู่เขารู้สึกวันไว้แล้วรู้สึกไม่ค่อยคือจากสุดท้ายที่มีอยู่อาจจะลดลงบ้างด้วยด้วยอิสรยของเขาที่อย่างอ่อนอยู่เป็นเหนือ้อเอียงไม่มั่นคงในพุทธศานาที่แท้จริงแต่หนูก็ได้ตอบเขาไปว่าท่านคือท่านเราคือเราไม่เกี่ยวกันเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเราก็คือทําตัวของเราให้ดีที่สุดรักษาศีลรักษาธรรมในใจของเราให้เจริญยิ่ขึ้นไป ไม่น่าจะมีผงอะไรต่อจิตใจของคนแต่ละบุคคลนี้ถูต้องไมเจ้าคเราต้องคิดว่าเราเป็นเหมือนนักรบเราเข้าสนามรบกันบางครั้งเพื่อนเราที่รบกับเราเขาถูกกระสุนเขาก็ถูกยิงตายไปเขาตายไปก็ฝังเข้าไปเราก็รบต่อไปอาจารย์นะคนที่ถูกกิเลสฆ่าเขาก็ล้มไปเขาก็เขาก็ตายไปเือยอมแพ้ยกถงเา้าไป ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ละคนนี่เราไปาให้เป็นเหมือนกันไม่ได้เราต้องมองคนที่ยังอยู่เรือมองคนที่ไปถึงแล้วเช่นมองทุกครั้งที่เราเกิดความท้อแท้พระพุทธเจ้าบอกให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าให้เลกถึงาพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ชนะท่านไปท่านไปถึงแล้วท่านชนะกิเลสส่วนผู้ที่ตายไปหรือ หรือหยุดปฏิบัติไปก็ถือว่าท่านยอมแพ้กิเลสท่านยกทอ ง, งขาวไปก็เถานั้นเองเป็นเรื่องธรรมดานานาจิตตังเป็นเรื่องของความแม่เที่ยงแท้นแน่นอนอเราไม่ควรยึดติดกับบุคคลเราให้ยึดติดกับคำสอนอพระพุทธเจ้าบอกว่าทำวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบการเป็นศาสดาให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดเพราะถ้าเกิดพระรูปที่ท่านมอบให้เป็นศาสดาเกิดท่านล้มล้มป่วยตายจากไปหรือว่าลาสิขาไปแล้วพวกเราจะพึ่งใครได้แต่ถ้าท่านมอบให้กับธรรมวินัยนี้ ธรรมวินัยนี้ไม่มีวันที่จะลาสิกขาไปได้ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะเป็นอาการลิโ ก, โกไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่พันปีแล้วธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นธรรมวินัยอยู่เหมือนเดิมเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้เสมอปัญหาของคนที่เขาเกิดความทอ้อแท้หรือเกิดความวันว่นวายก็เพราะว่าเขาไม่ได้ยึดธรรมวินยัย เขาไปยึดติดกับตัวบุคคลพอตัวบุคคลเป็นอะไรไปเขาก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาเช่นเวลาครูบาอาจารย์ต่างที่ท่านล้มหายตาจากไปแต่ละครั้งลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดการปั่นป่วนกันขึ้นมาเพราะเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้เข้าไปหาคำสอนของท่านชอบก็ไปหาองค์ท่านไปไปเห็นหน้าท่านได้ไปกราบท่านได้ยินเสียงของท่านก็ เกิดความสุขใจเกิดเกิดความสบายใจพอไม่เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงก็เกิดความเสียใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายึดคำสอนของท่านตอนนี้เราก็ยังสามารถมีท่านอยู่กับเราได้คำสอนของท่านที่มีไว้ในแผ่นซีดีมีไว้ในหนังสือนี่เรามีกันเป็นบ้านแต่ไม่เคยเปิดดูไม่เคยเปิดฟังกันะจะชอบออกนอกบ้านกันออกไปหาท่าน พอไม่มีท่านไปหาแล้วก็เลยไม่รู้จะไปไหนกันความจริงตัวท่านอยู่ที่บ้านเรานะ่ะไม่ดนะูไม่เปิดไม่เปิดอ่านไม่เปิดฟังกันท่านอยู่กับเราตลอดเวลาตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่สึกไปก็ดีหรือตายไปดีเพราหนังสือของท่านก็ยังอยู่เนะี่ยตัวท่านเนี่ยตัวท่านอยู่ในหนังสือนั่นแนหะอยู่ที่ทํามวินัยอยู่ที่ธรรมะ คนมันต้องตายไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องมีเหตุมีอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถ้าเรายึดกับคาสอนแล้วเราก็จะไม่เราก็จะจะไม่อะไรเขวงเราก็จะมีที่ยึอดอยู่ตลอดเวลาพวกเราไม่ได้เข้าไปเข้าหาธรรมเราก็ไปหารูปรูปของธรรม รูปของผู้แสดงธรรมพอรูปของผู้แสดงธรรมหายไปเราก็วุ่นวายใจกันถ้าเราเข้าไปหาธรรมแล้วไม่มีวันหายทำเป็นอาการทโกหกใช่ไหมยังขอให้เราศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจนะศึกษาจนให้เกิดความอา่ยินดีความพอใจที่จะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งของเรา ไม่เอาบุคคลเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะได้ไม่มีวันออไม่มีวันเสียใจเราจะมีที่ที่พึ่งไปตลอดอ น, นี่คำถามหมึงเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาพิจารณาผมคนเลืบขนหนัง การที่ท่านพิจารณาท่านบอกว่าท่านขนผมทีละเส้นจ น, นจนหมดหัวจนหัวเสร็จที่จะเสียเข้าไปทีละเส้นจนหมดหัวนี่ความสู้โอ้โหมันใช้เวลานานมา ก, มากมเหมือก็นือว่าไม่หรอกจิตใจนี่มันเร็วจะตายไปมันทําะไรปุ๊บเดียวอันนั้นมันก็ถอนได้หมดแล้วออืจิตใจนี่มันเร็วมากถ้าท่านทํานาญนี่มันปุ๊บเดียวมันก็หัวโลนนะปุ๊บเดียวก็เต็มหัวแะอแวนีคือที่ท่านให้พิจารณาเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ เวลามีผมเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเวลาไม่มีผมเป็นยังไงเวลาหนังตึงเป็นยังไงเวลาหนังหิวเป็นยังไงให้พิจารณาให้เห็นสภาพของความเปลี่ยนแปลงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันจะได้โปลงได้มันจะได้ไม่หลงถ้าเราเห็นเห็นผิวแต่งตึงเห็นผมขาวผมยาวไอ้ผมยา ว, ย ผ, มยาวผมเต็มสีษะก็จะเกิดอารมณ์รักไข้ขึ้นมาได้ แต่พอเราคิดถึงเวลาก็ไปรักษาไปไปไ ป, ไปฉีดคีโมผมร่วงหมดสีสาโร่นหมดหนังหิวย่นเวลาที่เขาแก่ลงไปเราเห็นแล้วมันก็จะได้ดับความรู้สึกยินดีความรักใคร่ขึ้นมาได้คือบางทีเราต้องมองก่อนตอนนี้ก็ยังไม่เป็นถ้าเรามองแต่ตอนที่เขาตอนที่เขาสวยๆเงางามเราก็จะเกิดความรักความใคร่ พอเขาเปลี่ยนไปแล้วก็จะเกิดความเสียใจแต่ถ้าเรามองทั้งสองด้านเราก็จะเฉยๆเวลาเห็นเห็นความสวยงามเรามองส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะทําให้ใจเรากลับมาอยู่ตรงกลางไม่เกิดความใค้าและเกิดความเสียใจนี้กับผู้่อการตัดสินใจในการที่จะออกไปประเดี๋ยโทนาหลายคนว่าจะบอกว่าเบอร์แรกๆมันก็รู้สึก เหมือนกับมีกําลังที่จะประพฤติปฏิบัติแบบต่อเนื่องแต่เมื่อไปนานๆเมื่อมันยังไม่ถึงจิตที่จะเป็นอัปปนาสมาธิหรือยังไม่สุบพอที่จะรักษาตัวให้รอดจากอาสวะทั้งหลายเนี่ยมันให้เขาเมันไม่กล้าจะเดินออกไปนะจ๊ะจะแก้งมันตรงนี้เลยจ้ะครับก็เหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วก็เรียนต่อไปเลยล้วอย่าเพิ่งละออกจากโรงเรียนเรียนไปเรื่อยๆจากปหนึ่งขึ้นปสองปสองก็ขึ้นปสามเรียนไปจนกระทั่ง จบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาถ้าเราเรียนอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไม่ไม่ไม่ออกมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนปัญหาคือบางทีปฏิบัติไปได้ครึ่งทางแล้วก็ไปทะเลถลัยไปทําเรื่องอย่างอื่นแทนไปหลงติด ก, กับราบส ก, การะหลงติด ก, กับญาติโยมคนมาพึ่งพาอาศัย ก็เลยเกิดความเมตตาสงสารเขาก็เลยไปมัววุ่นวายไปกับเขาไปถอยดูแลไปสั่งไปสอนเขาลืมมาสั่งสอนตัวเองเพอกิเลสมันออกนทธิ์ขึ้นมาก็โดนน n o c k เลยเ้าใจไหยแต่ถ้าเราพยายามคอยควบคุมใจของเราควบคุมกิเลสตัณหาของเราอยู่ตลอดเวลาคอยทำลายมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหมดไปเอง บางทีเราทําไปได้ครึ่งหนึ่งมันมันตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เกิดความชราใจที่ว่าเราเก่งแล้วว่าเดี๋ยวเราทําต่อก็ได้ไปทําอย่างอื่นก่อนถ้าคิดอย่างนี้ละเป็นการประมาทเป็นการฆ่าตัวเองพอไปทําอย่างอื่นปั๊บเดี๋ยเกเลตมันมีกําลังขึ้นมาปั๊บมันใส่มันเด็ดน้ำทีเดียวก็ไปเลยงั้นพระยาถึงสานว่าไม่ให้ประมาทให้มีความระมัดระวังอยู่ ตลอดเวลาไม่ให้ชะล่าใจตามใดที่เรายังไปไม่ถึงฝั่งเรายังไม่หยุดไหวยต้องไหวยไปให้ถึงฝั่งก่อนให้ไปถึงที่ปลอดภัยก่อนแล้วเราค่อยมาทําอย่างอื่นต่อไปพระพุทธเจ้าขณะที่ทรงบําเพ็ญหกปีนี้ไม่ได้ไปสั่งสอนญาติโยมไม่ได้ไปสั่งสอนใครเลยมีแต่ศึกษาและปฏิบัติอย่างเดียว ยังถือว่าตนเองเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเพราะยังเรียนไม่จบพอเรียนจบแล้วทีนี้ท่านถึงค่อยมาสั่งสอนผู้อื่นที่สั่งสอนผู้อื่นขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่มีกิเลส ท, ที่จะมานอกท่านได้เพราะท่านนกกิเลส ท, ท้งตัวจนหมดไปไปจากใจหมดแล้วไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วถ้าไม่ถึงตรงจุดนั้น เราจะสามารถรู้ถึงว่าเราถึงจุด ต, ตรงนั้นได้โดย ด, ยด้วยตัวเราเองหรือการที่ไปกราบยนของกับครูบาอาจารย์เจ้าพระถ้ามันถึงจริงก็มันก็ต้องรู้แต่ถ้ามันถึงไม่จริงมันก็อาจจะหลอกตัวเองได้บางทีถ้าเราเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเองเราก็อาจจะต้องให้คนอื่นคอยมา <c oughs> มาทดสอบดอี แต่ถ้าเราให้คนอื่นทดสอบยังไงใจของเราก็อย่างนั้นไม่มีเราก็รู้บางทีเราอยากจะให้คนอื่นทดสอบก็ลองไปให้เขาด่าเราดูให้เขาตบตีเราดูให้เขากลั่นแกล้งเราให้เขาทำอะไรต่างๆนานาดูดูซิว่าใจของเราจะมีอาการอะไรหรือไม่ ประวัติครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อคราวที่คราวหนึ่งท่านอยู่ในกุฏินิโยมแม่ท่านอยู่นอกกุฏิที่โจรมาปล้นนะคะแล้วโจรก็ทํา้ายแม่ท่านจนท่านเสียชีวิตแต่ท่านก็ไม่ได้ออกมาช่วยอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นข้อคิดยังไงบ้างท่านปล่อยวางถ้านกาเกิดมาแล้วล่องตายเป็นธรรมดาถือว่าเป็นกรรมของของบุคคลนั้นไปเช่นพระโมกขานี้ท่านก็ไม่ใช้อิทธิฤทธิ์มาปกป้องรักษาร่างกายของท่าน ท่านว่าถ้าป้องกันวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่การมันถ้ายังไม่หมดถ้ายังไม่ส่งผลมันก็จะคอยตามมาอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะส่งผลแล้วมันก็จะหมดกันไปถ้ามีอิธิฤทธิ์ที่สามารถจะใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยป้องกันท่านได้แต่ท่านไม่ใช่เพราะท่านบอกว่าใช้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ต้องใช้ไปเรื่อยๆต้องหนีไปเรื่อยๆ นักคนีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ดีเพราะในที่สุดก็ต้องต้องตายอยู่ดีไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายกันผู้ที่บรรลุแล้วท่านไม่หวั่นไหวกับความตายท่านไม่เดือดร้อนกับความตายเพราะสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวท่านท่านเป็นเหมือนคนขับรถส่วนร่างกายของท่านเป็นเหมือนรถรถมันจะพังรถมันจะถูกยึดคืนไปก็ปล่อยก็ยึดคืนไปธนาคารจะมาเอาคืนไปก็ปล่อยก็เอาคืนไป มันไม่ใช่ของเราเขาไม่ได้เอาตัวเราไปด้วยเขาเอาแต่รถไปก็ใหเขาเอาไปร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้เราจะเห็นใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันพอเราเห็นว่าเป็นคนละส่วนกันเราก็เลยไ ม, ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย อยู่ป่าอยู่เขาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนเป็นหลายๆปีเนี่ยถ้ามีข้อทรรข้อไหนในการที่อยากสารวิหารธรรมที่อยู่ได้คะก็ธรรมที่สําคัญที่สุดก็คือสติสติธรรมนี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นธรรมที่จะทําทให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา ถ้าไม่เป็นปัญญาก็จะไม่มีวิญวุติไม่มีมรรคผลนิพพานตามมาดังนั้นต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็จะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้พอใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงแต่เพียงแต่เป็นความสุขชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุขเวลาออกจากสมาธิถ้าไม่รักษาไว้ด้วยปัญญามันก็จะ ถูกความอยากทำลายไปได้งั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องต้องใช้ปัญญาต้องเจริญปัญญาถ้ายังไม่รู้จักใช้ปัญญาก็าต้องศึกษาว่าทันยังไงถึงทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้การจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องพิจารณาใจรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังยึดติดยังรักยังหวงอยู่เรารักอะไรเราต้องมองว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะต้องจากเราไป เราจะต้องจากสิ่งนั้นไปสิ่งนั้นจะต้องให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะทุกข์ใจพอเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่าะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจเราก็จะรักษาความสงบความสุบใจของเราได้ไป ทุกอย่างนี้ตัวสตินี้เป็นตัวสำคัญที่สุดผู้ที่สนับสนุนก็คือความเปี่ยนมีสติแล้วก็ต้องมีความเพลี่ยนที่พยายามที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยเจริญสติก่อนจะก่อนจะเจริญสติก่อนที่จะมีความเพี่ยนได้ก็ต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาเชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนปฏิบัตินี้เป็นทางที่สู่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ถ้าเป็นคนไข้ก็เชื่อหมอเชื่อว่าหมอให้ยานี้มาแลบประทานแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่กล้ากินยาถ้าเราไปคิดว่าให้กินไปแล้วเดี๋ยวตายไปจะทำอย่างไรถ้าเราไปคิดว่าถ้าเชื่อพุทธเจ้าไปอยู่ป่าโดนเสือโดนสัตว์กัดตายไปแล้วไม่ได้อะไรก็จะไม่กล้าไปแต่ถ้าเราเชื่อว่าการไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวก ไปอยู่ที่มีภัยรอบตัวนี้เป็นประโยชน์กับใจของเราแจะทําให้ใจของเร า, เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะมีศรัทธาความกล้าหาญที่จะไปอยู่ตามสถานที่ อ, อัตคัดกัดสนสถานที่ลําบากลําบนสถานที่มีภัยต่างๆรอบด้านแต่เราจะมีความศรัทธาความเชื่อที่จะสร้างสติขึ้นมา ด้วยความภาคเพียนด้วยวิริยะความมุสาหเดินเดินยืนนั่งนอนนี้ก็จะคอยเจริญสติอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะไม่เจริญสติพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ควบคุมความคิดไว้เลยพุโทโธไปเลยท่องพุโทโธไปเลยถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปทุกเอเดียบบทของการเคลื่อนไหวไม่ให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายตลอดเวลา แล้วพอมีเวลาว่าเราก็นั่งสมานั่งหลับตาทําใจให้สงบ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องเครื่องผูกใจแต่เวลานั่งก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจแทนดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่นเงเป็นเอกตาลมได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้เพราะได้พบความสุขนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องรักษามันด้วยปัญญา ต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเรศหลอกให้เราไปอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆเราก็จะได้กลับมาสู่ความสงบของใจได้หยุดความอยากต่างๆได้ก็อยู่ที่ศรัทธาก่อน ก่อนที่จะเกิดการจะทำให้เกิดศรัทธาก็ต้องเข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงเวลาฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงนี่ต่างกับเวลาฟังธรรมจากผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงจะเป็นเหมือนคนละโลกเลยหรือไปหาหมอที่รักษาโรคได้จริงกับหมอที่รักษาโรคไม่ได้จริงนี่จะไม่เหมือนกันถ้าไปหาหมอจริงเขาจะบอกเลยว่าคุณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องรักษาด้วยวิธีนี้วิธีนี้ รังมันก็ได้เหตุได้ผลแล้วยิ่งมีคนที่เข้ามารักษาแล้วมารับรองว่าหมอคนนี้ดีเพียงเก่งจริงรักษาแล้วหายมันก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาทาให้เราอยากที่จะปฏิบัติตามทาตามคําสั่งของหมอพอเราทําตามคําสั่งโครคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันก็จะหายไปหมดไปเพราะคนอื่นเขารักษากับหมอคนนี้มาแล้วก็หายแล้วเราทํำไมจะไม่หาย เราก็ต้องหายเหมือนกันคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอารามตสาวกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกกันเป็นจํานวนมากมายตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาท้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าท่านมีความศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะความภาคเปลี่ยน จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติแบ่งต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนสัตวใดที่ยังไม่ได้สําเร็จยังไม่บรรลุก็จะไม่หยุดปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปครึ่งทางแล้วเปลี่ยนทิศทางจากการปฏิบัติมาทําภารกิจอย่างอื่นที่นมาเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นอันทั้งที่ภารกิจของตนเองยังไม่หมดโครคภัยแค่เจ็บยังไม่หมดยังไม่หายจากโรค ก, ก็ออกไปทํางาน เดี๋ยวทำไม่ได้กี่วันก็ล้มป่วยเองเนี่ยปัญหาของผู้ที่เข า, เาไม่สามารถที่จะ อ, อยู่ต่อไปได้ในผ้าเหลืองก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาปฏิบัตินั้นเขาอาจจะไปยังไม่ถึงถึงจุดหมายปลายทางก็าอาจจะหลงผิดก็ได้อาจจะคิดว่าเ็าถึงแล้วก็ได้ อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันเมื่อหลวงคิดว่าตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไปทำงานพอไปทำงานได้ไม่กี่วันก็กลับมาล่มป่วยใหม่ในเรื่องเหล่านี้มันก็มันก็เกิดขึ้นได้ผู้ปฏิบัตินี้จึงต้องระมัดระวังอย่าไปชะล่าใจอย่าไปมั่นใจต้องคอยทดสอบทุกรูปแบบทดสอบจนมั่นใจตายใจจริง ในกรนี้ที่ตัวระยะยังน้อยอยู่หรือไม่รู้จะดึงมันกลับมาอย่างไงมันต้องชอบมันมันย่อหย่นลงเราก็ต้องกําหนดตารางไว้สิบังคับมันต้องกําหนดตารางว่าต่อไปนี้เราจะนั่งสมาธิวันละกี่รอบครั้งละกี่นาทีครั้งนาห้าสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ว่าไปแล้วถึงเวลาก็ต้องทําตามที่เรากําหนดเลย คนที่เข้าไปเรียนตามหลักสูตรกันก็เพราะว่าเขาควบคุมบังคับตัวเขาเองไม่ได้ก็เลยต้องไปเข้าหลักสูตรกันที่หลักสูตรเขาจะมีเวลาเรยเตือนกี่โมงไหว้พระสวดนมนต์นั่งสมาธิเวลาไหนอาบน้าเวลาไหนรับประทานอาหารเวลาไหนเดินจงกรมเวลาไหนฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าไปทําแล้วเวลากลับมาบ้านก็ไม่ทําต่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ไปทำเพื่อให้ได้เกิดวินัยขึ้นมาเกิดนิสัยขึ้นมาพอเรามีวินัยมีนิสัยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเราก็สามารถทำตามวินัยของเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พรกันนะนั่งยะถาวารุวาหาปุราปารุปเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิดวเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาญาโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุ มาเตผวตะวันตรายสุขีทีฆาโโกผวะอพิวธนศีลศินิจจังุธาปจายนโนจตารธรรมะวาทาติอายุวโนสุขาภาลเราต้องกำหนด เป้าหมายก็กำหนดตารางการปฏิบัติของเราจะทําอะไรมากน้อยเพียงไรเวลาใดแล้วก็พยายามทําตามตารตางนั้นให้ได้ใช่ไหครับตัดขึ้นบางอย่างไะเวลาเราเรารู้ว่าเราคิดอะไรแล้ว เ, เราหยุดมันได้เดยวเราตัาดไม่ถนัี่เราขาปัญญาหรือเปล่าก็ขาดปัญญาถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่ไม่ทํา เ, เราเยัง เ, <ๆ>เห็นว่ามันเป็นสุขอยู เรารู้ว่ามันรู้ในจิตใจเราเยมันจะมีคนสองคนอยู่ด้วยกันอคนหนึงชอบคนนึงชังอะไรประมาณเนี้ยคือท่านปัญญาปัญญาด้วยแล้วก็ขาดสมาธิด้วยถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะต้านความอยากได้แต่เราสามารถทราบได้ว่ามันขึ้นมานม้มันเกิดขึ้นใหม่อะไขึ้นแล้วเราต้องกลับเข้าไปทําสมาธิใหม่ถ้ากลับเข้าไปทําสมาธิจิตสงบมันก็จะหายไปความอยากนั้นก็จะหายไป ทำงานเดินไปเจอผู้คนก็จะคิดไปละปรุงไปก็ต้องหยุดตรงไหนแล้วก็ไปแล้วก็ปรุงไปเออแต่ส่วนมากทวกวันนี้จะหยุดอยู่ได้นิดหน่อยเพราะว่าไม่ดีเราอยู่ในที่ที่มันมันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็ทําไปเท่าที่เราจะทําได้เป็นเรื่องที่นั้นทัองปีเสด็จกันหน่อยทุกปีต้องติดออู่ มีอะไรไหม หมายถึงคนไข่เห็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งๆที่นอนอยู่เองมันก<ช>็จิตเขาอาจจะรับรู้ก็มีความรูความสามารถพิเศษก็ได้ไาาไแต่ความรู้เหล่านี้ก็ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรอกับกับจิตของเขาเองเพรา็ความรู้เหล่านี้มันก็ไม่ได้มาดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆได้มันก็เป็นความความรู้พิเศษแนั่นเอง ความสามารถพิเศษไม่หรอกกายเขาเขาอาจจะทุกกับเรื่องร่างกายของเขาก็ได้ถ้าเขาถ้าเขาไม่ทุกกับร่างกายก็แสดงว่าเขาปล่อยวางร่างกายได้เอมยาไม่หรอกเคยความรับรู้ของใจเนี่ยมันไปรับรู้ได้โดยที่มันยังยึดติดกับสิ่งต่างๆอยู่มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวกักวกบการ การจะปล่อยอะไรได้นี่มันต้องเห็นเห็นโทษของสิ่งที่เรายึดติดว่าเป็นไทยกับเราแทนจะเห็นว่าเป็นลูกระเบิดนี่เราก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเรายังคิดว่าเป็นขนมเราก็ขอเก็บไว้ก่อนอ๋อไม่หรอกมันไม่ไม่ไม่ไม่ได้วิธีจะปล่อยก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือลูกระเบิด เหมือนเหมือนกับฐานไฟร้อนๆอย่าไปจับมันวางมันนะปล่อยมันอย่าไปแต้มมันแต่เรายังจับมันไว้อยู่ไม่ยอมปล่อยมันก็เลยทุกข์ใจความทุกข์ใจง่ยเหมือนกับมันไปถูกไฟร้อนๆแต่ถ้าเห็นว่าถ้าปล่อยมันแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบเลยที่ออก็ ถ้าถ้าถ้าผู้ที่ไม่ไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายแล้วไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นโวดาบัณฑ์นะพระโซดาบัณฑ์ท่านจะไม่หลงกับเรื่องของร่างกายหรือว่าร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นดินน้ำลมไฟก็อเจ็เจ็บตาไม่ใช่ตัวท่านท่านเป็นใจแต่ท่านยังมีกิเลสอย่างอื่นอยู่ในใจ ท่านยังมีการมาราคะความใคร่ความรักความชอบในร่างกายของผู้อื่นอยู่ความสวยความง า, า, กามาาาก็ ต, ต้องก็ต้องใช้ยาชนิดหนึ่งคือยายาที่ใช้ให้เป็นโสดาบันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ยาที่จะมารักษาโรคแบบนี้รักษาโรคแบบนี้เราต้องดูของที่ไม่สวยงามของร่างกาย เราไม่ชอบดูส่วนที่ไม่สวยงามกันเราชอบปกปิดกันก่อนจะออกจากบ้านนี้เราต้องแต่งหน้าแต่งตัวเหวีผ้าหวีผม ล, ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำ อ, อาบน้ำอะไรกันให้สะอาดสะอา้านให้หน้าดูน่ารักก่อนแต่ถ้าเราออกจากบ้านโดยที่ไม่ตื่นขึ้นมาก็ไปทํางานแบบที่เราออกจากขึ้นมาจากเตียงเลยคนก็อาจจะถอยหนีจากเราก็ได้ เวลาเราต้องน้องนึกนึกถึงส่วนสภาพที่ไม่น่าปรารถนาของร่างกายเพื่อจะได้คลายความกําหนัดยินดีพอเราจะมักจะหันหน้าหันส่วนที่ดีเข้าหากันเวลาเราเข้าสังคมนี่แต่ละคนก็เอาส่วนที่ดีออกมาโชว์กันเราต้องนึกถึงส่วนที่ไม่ดีที่ก็ซ่อนเอาไว้บ้างมันจะได้ทําให้ใจเรากลับเข้าสู่วงกลาร เั้นถ้าเห็นส่วนที่ดีส่วนที่น่ารักมันก็จะแต่ความรักใคา ย, ยินดีขึ้นมาถ้าเรานึกถึงส่วนที่ไม่ดีมันก็จะได้ดึงกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงกลางได้ให้อยู่เฉยๆได้ให้ดูแล้วก็เฉยๆใช่ใช่ายากตัวแรงกว่าไปเลยทันจะรักษาทั้งสองตัวเช่นสุขภาพจะรักษาทางงกายด้วยก็แล้วแต่ว่าเรามองร่างกายว่ามันมัน มันมันไม่เที่ยงมันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ดินมันเป็นดินน้ําลงไปมันก็จะมันก็จะปล่อยวางร่างกายของเราได้มันมันคนเราประเด็นเนี่ยคือประเด็นหนึ่งมันดูมองเห็นความสวยงามอีกประเด็นหนึ่งมันมองเห็นว่าเป็นของเราตัวเราก็ลองทําดูเลยเขาในตำนานเขาแสดงไว้ตามลําดับ นี่เราก็ไม่เราก็ไม่อยากจะตำลามมาเป็นตัวผูกมัดบางคนบางคนอาจจะชิดตําราย้อนตําลาก็ได้บางคนบรรลุทีเดี๋ยวปุ๊บปั๊บในแค่ไม่กี่วินาทีสี่ขั้นไปเลยก็มีในมีมีในมีกล่าวถึงมีพระรูปหนึ่งเวลาท่านกรนผมมีกรนลงครั้งแรกก็เป็นโสดาบันลงครั้งที่สองก็เป็นสกิรดาการีลงครั้งที่สามก็เป็นหนาการี แสดงปัญญาของท่านไปอย่างรวดเร็วหรือท่านอาจจะเตรียมทาข้อสอบทำการบ้านมาอยู่แล้วพอถึงเวลาท่านก็เดินไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันรับในตำราเขาว่าแสดงตามลำดับไปแต่ในการปฏิบัตินี้ก็ลองทำดูสิลองเอาลองเอาเอาอาสุภาะก่อนดูแล้วดูที่ว่าจะอาจจะได้ทีสามขั้นเลยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออพาจันเลยเอาทิตยเดียววันสามแต่มันต้องมันต้องผ่านทุกเวทนานะความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายเนี่ยผมก็ต้องไอตัวนี้คุณก็ต้องผ่านมันให้ได้ก่อนเราต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็มันจะตายเพราะความเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเอามาตั้งไว้ได้เลยอาจารย์ ของหนักไม่ต้องไม่ต้องตะเคียนนะเอาวางไ ว, ไว้ไวางไว้ อ, อย่าไปยึดติดกับตำรามากอย่าเอาตำรามายัดมามายัดเข้ากับการปฏิบัติของเราให้ดูการปฏิบัติของเราเป็นเป็นหลักดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เราค่อยไปดูที่ตําราว่าอมันเป็นยังไงอย่าไปอ่านตําราก่อนแล้วเราปฏิบัติแล้วเออเราถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนั้นแล้วนะมันอาจจะเป็นการอุปทานแล้วมันจะทําให้เราหลงได้เราต้องดูดูที่ที่ใจเราเป็นหนาะว่าใจเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าใจเรายังมีความยินดีมีความรักความค่ายกับรูปสวยๆงามๆอยู่หรือเปล่า ดูตัวนี้ดีกว่าถ้าขั้นสูงกว่านั้นก็ใจเรายังมีอัปตาตัวตนอยู่หรือเปล่าเรื่องถือตัวถือตนอยู่หรือเปล่ายัางทำทำใจให้เป็นปัตตเป็นเป็นเหมือนปัตตพีได้หรือเปล่าใครจะดูถูกดู แ, แคลงใครจะเหยียดย่มก็จะเหยียบ ย, ย, ย, ย่ำอย่างไรก็ไม่เดือดร้อน ใครจะ ก, กลั่แก้งใครจะขัดขวางใครจะทำอะไรต่างๆนานๆกับเราเราเฉยได้หรือเปล่ามาจากที่ไหนเพิ่งมาเลยมาพักหนึ่งแล้ ว, ล ว, ลวมีอะไรหรือเปล่าไม่เยี่ยงอะไรเราต้องทำแบบเดินอ๋อ ได้นังสือไปได้ยังใช่นายิกาได้นะหนังสือมีซีดีปกติที่บ้านมีที่ให้ฝาให้ปากมาที่นี้รัชกาลที่หนึงถ้ารัชกาลไปจะได้เอาซีดีไปแทนก็นแล้วกันเปิด่นแทนง่ายกว่าเพราะว่าเรามีคนมาที่นี่เป็นประจํากลที่บ้านจัดจประมาณกนที่นี่นั่นแหละแต่เราไม่ไหวเลยคนเลยเราต้องหลับต้องนอนบ้าง เราไม่ใช่เป็นเหล็กขนาดนี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้วเป็นที่กู่แล้วนะวก็เอาซีดีไปเปิดก็ได้เหมือนกันซีดีไปเปิดแล้ว ร, รปปเป็แล้วกครอยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงก็มาที่นี่ก็ได้เดี๋ยวต่อไปสาลาข้างบนเสร็จก็จะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นนี่นั่งได้ทั้งสองศาลา เอาเอาเอาลำโพงมาตั้งไว้ได้เวลาฝนตกก็จะได้ไม่ไม่เดือดร้อนตรงนี้ก็ดีนะรู้สึกว่าอบก่มดีค่ะเออเอออบก่มดีค่ะได้เราทำแบบทำตามธรรมชาติตามมีตามเกิดไม่ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเราไปเราไปสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเราเอง เราต้งเจ้าขี้เจ้าการเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เอาเอาตามมีตามเกิดสันโดษเข้าใจ ค, คําว่าสันโดษไหมยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็เอามันอย่างนั้นนหละเอาตัวเราให้รอดก่อนดีกว่าไม่ต้องไปห่วงค น, นอื่นหรอกคนอื่นเขาจะ เขาจะได้ยินได้ฟังธรรมไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาอยากจะได้ยินได้ฟังเขาก็หาเองอเราไม่ต้องไปหาไปให้เขาหรอกบางทีเรานิมนต์คูบาอาจารย์ไปเขาก็มาด้วยความเก่งใจเราพอมาเขาก็ไม่ตั้งใจฟังกันบางทีเขาก็นั่งคุยกันเราเคยรับกินนิมนต์ไปสอนคนไปพูดเขาก็นั่งคุยกันเขาก็ไม่ฟังเราล้วก็ว่าเอะเรามาทำ ไ, ไมมาเสียเวลาเปล่า แต่เจ้าพาพก็อยากจะให้มาให้คนอื่นจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่คนอื่นก็ไม่ได้มีความอยากจะได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกับคนที่มาที่นี่เนียคนที่มาที่นี่เขาอยากจะฟังจริงๆ เ, เขาถึงมากันคนที่ไม่อยากมาเขาก็ไม่มาจะไม่มีคนคุยกันเวลาที่เราพูดเราฟังธรรมะกันแต่เวลารับนิกิณนนิมนต์ไปเทศที่อื่นนี่ยไปสวดที่อื่นเนี่ไม่ค่อยมีคนฟังกันเมื่อก่อนก็เคยรับกินนิมนต์บ้างเป็น ทำบุญบ้านไปฉันไปสวยเวลาสวยก็มีคนแก่สองสามคนมานั่งคนหนุ่มคนสาวเจ้าของบ้านก็ไปต้อนรับแขกกันอะไรกันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผ้าไปทําอะไร <c oughs> <c oughs> เป็นพิธีคว <c oughs> <c oughs> ามจิงเป็นไปนงานสังคมแต่อยากจะเอาให้เป็นมงคลด้วยก็เลยนิมนต์พ้าไปด้วยงานมันเกิดก็จัดกันงานมันเกิดไอะไรเอาผ้าไปยุ่งทําไม ถ้าอยากจะทำบุญวันเกิดก็มาที่วัดมาใส่บาตรที่วัดก็ได้แยกกันไปเป็นสองงานงานบุญก็งานบุญงานมงคลงานมงคลงานเลี้ยงก็เป็นงานเลี้ยงือนทีนี่มลผ้าไปเพระผ้าไปพาพาไปั๊บเอาเล่ามาตั้งกันนะตนามพ้ามาก็มะยังพันเตกันเขาเรียว่าเหมือ น, นลิงหลอกเจ้า เวลาั่มันก็ยังใส่นั่นเลยว่าเวลานั่งจมาเพื่อใหปวดขาเพรใจเราใจเราไม่ใจเราไม่อยู่กับพุโทโธไม่มันมันยังไปคิดถึงเรื่องความเจ็บอยู่ถ้ามันไม่คิดถึงความเจ็บมันยังไม่ปวดมากแ ต, แต่มันก็ต้องมันก็เห็นว่ามันเจ็บอะไรมันต้องไปก็เราอย่าไปเห็นมันสิให้เห็นพุโทโธอย่างเดียวไม่อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันจะไม่เจ็บถ้าพุโทโธไม่ได้ลองใช้หนึ่งสองสามดูก็ได้เออ ถ้าเราไม่ขยับไม่ต้องไปสนใจมันนับหนึ่งสองสามไปให้มันขาดใจตายกับการนับเลยแล้ว เ, เ, เดี๋ยวความความความเจ็บมันจะหายไปความทุกข์มันจะหายไปถ้าเราอยู่กับใจมันจะสงบพอสงบรับมันหายไปเลย มันไม่หิวเลยหายไปแบาเดียวกันเนี่ยใจหิวล่างกายไม่หิวได้นั่งกายไม่กินข้าวสักสองสามวันก็ได้อย่างพระปฏิบัตินี่บางทีท่านอดาหารสามสี่วันหลงตาท่านเคยอดเป็นประจัสมัยที่ท่านปฏิบัติเพราะใจเราไม่ได้คิดถึงมันเรากำลังวุ่นวายกับเรื่องอื่นกำลังคิดถึงเรื่องอื่นเริ่มมีความสุขกับเรื่องอื่นอยู่ บางที่เด็กเล่นคอมทั้งคืนก็ไม่หิวเล่นเกมได้ทั้งวันใช่มันมีสมาธิอยู่กับการเล่น เ, เราไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้เข้ากลับเข้าไปในสมาธิกำลังกาลังผลักให้ออกไปหาของกินมันมีแรงมากกว่า มันก็เลยทําให้เราหิวเป็นมาถ้าเรามีกําลังดึงกลับเข้าไปสื่อความสงบได้ความหิวก็จะหายไปได้เคยทํามาแล้วเคยอดอาหารมาแล้วเวลาอดอาหารนี่มันจะคิดถึงแต่อาหารเราก็ต้องพยายามนั่งสมาธิควบคุมความคิดแม่คิดพอจิตสงบแล้วมันก็หายหิวถ้าใจมันไม่คิดถึงมันก็ไม่หิว ถ้าจมันคิดถึงมันก็หิวบางทีกินอิ่มอันยังหิวเลยกินอิ่มไปเดี๋ยวเห็นขนมเห็นไงอะไรขึ้นมาก็หิวอีกแล้วออยากขึ้นมาแล้วหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆก็เป็นอย่างเนี้ยท่านล้างบาตรไม่ทันเสร็จก็หิวอีกแล้วบาตรจะไม่ทันแห้งเลยท่านบอกมันหิวแล้วท่านบอกมันหิวนี้ต้องไม่กินรักษาวันท่านดับมันอย่างนั้นหรืท่านอดอาหารไปสามวันต่อไปไม่กล้าหิวอะถ้ามันหิวก็ไม่ให้มันกิน ถ้าหิวเราได้กินมันก็ได้ใจก็อย่างนะมันก็จะหิวอยู่เรื่อยเรื่อยเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวไม่ต้องกลัวาตายไม่ตายหรอกอดข้าวสามวันเรามีสเสบียงมีสะสมไว้ในร่างกายอยู่ได้เป็นอาทิตย์เ่ยขอให้มีน้ำเดื่ดแล้วรับรองได้ไม่ตายขอนข้าวเจ็ดวันนี้ไม่ตายกลับได้ประโยชน์เสียเองได้ลดน้ำหนักมันอยู่ที่ใจความหิว หิวสองส่วนหิวกายมันเป็นส่วนย่อยหิวกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายมันถึงเวลามันก็ต้องมีอะไรให้มันกินแต่ถ้าไม่ได้กินมันก็ไม่ตายมันก็เพียงแต่รู้สึกเหนื่อยเหนื่ออิดโรยไปเท่า น, นั้นเองแต่ความหิวที่ทารามานก็ความความความความอยากในใจเราไอ้ตัวเนี้ยร้ายายกาบรุนแรง พยายามทําต่อไปเถิดทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดมไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่าถ้าไม่ดีจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เป็นที่พึ่งของสรรโลกทั้งหลายไม่เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ใดเล่าักคําสอนพระเจ้าไปปฏิบัติแล้วมีความเห็นอันเดียวกันว่าอดีจริงๆ เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ดับความหิวความอยากต่างๆได้หมดขอให้เรามีความเพียรพยายามปฏิบัติไปเท่านั้นเถอดอย่าขี้เกียจอย่าทอแท้นี่เป็นอุปสรรคของเราก็คือความขี้เกียจความทอแท้ความรักความรักความสบายความสะดวกความสบายยังติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆอยู่แต่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นความสุขแบบ อายื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองพอฮุบเข้าไปแล้วทีนี้ก็ติดแล้วติดก็ต้องหาหากินอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดไม่ได้กินเวลานั้นก็ทุกทรมานใจย้อมอดดีกว่าลองหัดอดลองหัดถือสินแต่ไปก่อนอดข้าวย็นไปก่อนอดดูหนังดูละครอดฟังเพลงไปก่อนอะไรต่างๆเอาวัน อาทิตย์ละวันก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีกําลังมากก็เอาสักวันหนึ่งวันพระหรือวันไหนที่เราสะดวกสมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเร า, า จ, จะต้องทํางานทําการเราก็เอาวันที่เราไม่ต้องทํางานแล้วเราก็ถือวันนั้นเป็นวันพระถือศีลแปดไปงดหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันมาหาความสุขการการจากการทําใจให้สงบกัน พอใจสงบแล้วจะเห็นคุณค่าแล้วจะติดใจที้จะมีกำลังแล้วจะกล้าอดกล้าตัดอะไรต่างๆได้อย่างง่ายได้เยเพราะมันไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสงบของใจได้อะไรมาก็ดีใจเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่แ ล, <c oughs> แล้วก็อยากจะได้มากขึ้นด้วยได้คือก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้ว่า ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่งไม่พอแต่ได้ความสงบนิดพอไม่อยากจะได้อะไรสบายอยู่ยเฉยเฉยก็มีความสุขไม่ต้องไปดิน้นนไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องเดือดร้อนกับการรักษาดูแลแล้วก็ได้มาแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเวลาหายไปจากไปเงยของต่างๆที่เราหานี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น ทุกตั้งแต่การเริ่มต้นเวลาเริ่มหานี่ก็ทุกแล้วเวลาได้มาก็ทุกกับการดูแลรักษาเวลาสูญเสียไปก็ต้องมาทุกกับความสูญเสียไปแต่ความสงบนี้มันถ้าเราได้แล้วเรารักษามันได้ไม่มีใครเอาเอาจากเราไปได้ังนั้นมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่าความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบแม้แต่ ต่อไปร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราทำใจให้สงบได้ร่างกายนอนอยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราใช้ร่างกายหาความสุขเช่นจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานพอไม่สบายแล้วทำทาไม่ได้แล้วพอทาไม่ได้ตอนนั้นก็ทุกข์ใจ การสวดมนต์นี้ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งจะใช้ บ, บทสวดมนต์ก็ได้จะใช้พูดโทวกก็ได้หรือจะใช้สติให้กำหนดควบคุมความคิดให้ได้ก็ ก, ก็เป็นการภาวนาไปในตัวแล้วคือเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆพราะความคิดรุงแต่งเป็นเครื่องมือของความอยากต่างๆพอคิดแล้วเดี๋ยวมันโอดอยากไม่ได้การภาวนามันมีหลายหลายระดับนะ เริ่มต้นก็นถ้าพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้กําหนดค ว, ควบคุมความคิดไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายเช่นสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอันนี้ก็เป็นอุบายเพื่อให้ดึงใจให้หยุดหยุดไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลาฟังธรรมมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็สงบมีความสุขจากการฟังธรรมได้แต่พอหยุดฟังปั๊บมันก็เริ่มไปคิดเรื่องอื่นได้ แต่ถ้าเราใช้พุโทโธได้เราก็สามารถที่จะดึงมันไว้ได้ถ้าพุโทโธมีกำลังมากต่อไปไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้เพียงแต่กำหนดปั๊บมันก็พอดูใจปั๊บว่ากาลังคิดอะไรอยู่แล้วพอบอกมันให้หยุดคิดมันก็หยุดหยุดได้เพราะเรารู้จักวิธีหยุด้ะเรามีเบรกมันเป็นขั้นๆไปปฏิบัติไปใหม่ๆก็ต้องใช้เครื่องมือก่อน เป็นยงไงเรียนอะไรเลยะสดว่าผมว่าเอาอรื่อเดียร์นะค่ณผหากเราไม่ได้เข้าสู่ทารทำแบบบวชเป็นพระหรือแรงๆรอยากที่จะทางโน้มทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือเรามีแต่เด็กคืลกคนที่เราเก็ดความอยากเราไม่ต้องกลับไปเจริญสติหรือทำสมาธิก็ได้ใช่ไหมครับ ถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดหยุดความอยากได้เราก็แสดงว่าเรามีเบรกแล้วเราจะไม่ทำสมาธิก็ได้เราหยุดได้หรือเปล่าถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วก็บวชได้ที่เราบวชไม่ได้เพราะเรายังหยุดความอยากไม่ได้ตบวชเลยเป็นเป็นคำถามที่มีคำตอบคือเราจะหยุดความอยากบางอย่างได้ที่มันไม่รุนแรงที่เราไม่ไม่ไม่ได้อยากมากแล้วก็หยุดได้ แต่ความอยากที่เรายังอยากมากๆอยู่นี่เราไม่มีกำลังจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่สร้างกำลังเพิ่มขึ้นกำลังหยุดให้มีกำลังมากขึ้นเราก็จะหยุดมันไม่ได้เพาสุดท้ายถ้าผมจะต้องสร้างกาลังมันมากขึ้นผมก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องละทสิ่งไปเราก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ที่ถูกความสุขหุ้มห่อด้วยความสุขบางๆเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาล กลัวทำไมกลัวจะหายง้ออ่ะ อุปสรรคของผู้ฟังทำปฏิบัติครับอาจารย์คือละครเพราะว่าการที่เว็บไซต์ของสถานีครับช่วงก่อนละครจะมีคนฟังพอละครหายหมดเลยแล้วพอหลังละครก็จะมาฟังกันต่อก่อนนอนรู้อะไรรับละคร จะรู้ได้ไงว่าคนฟังมากคนฟังน้อยที่ที่ตัวฟังครับมันจะมีตัวเคาเตอร์ว่าคนฟังกี่คนเป็นชาวว่าเลยนะครับอ๋อไม่ถึงไม่ถึงในในอินเทอร์เน็ตในชาวว่าในเทอ็ตอินเทอร์เน็ตไม่ไม่รวมดังนั้นสถานีก็คงเหมือนกันละครว่าก็ไปดูละครที่หมดลูกหลวงพ่ออะไรลูกจะอยู่ในถุงมีครับมีทั้งมีพัง ไม่มีแต่เสียงไม่มีรูปเหรอเพไม่มีแต่เสียงเสียงสําคัญกับรูปจะให้คนที่บ้านดูอ่อ่าอ่จะรินพำตาอห้พยายามอา่ต้องให้ให้ต้องให้หลังน้ําตาก่อน <c oughs> ต้องให้เห็นอะไรก็เรียก ต้องเห็นอะไรลงสศกก่อนนไอ้ต้องเห็นฝ้าลงก่อนถึงนยาหลังน้ำตาตอนนั้นมันจะสายไปนะมีคนแก่หลายคนมาบน่นว่ามะเสียดายตอนหนุ่มหไม่สนใจเลยว่าสนใจตอนนี้ก็โอ้โหจะปฏิบัติอะไรอย่างมันยากเย็นไปหมด ออมันไม่อืดอสแล้วาออเบอ้คือตอนนี้เราสกว่าเรฟังเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยอะไรก็จะเฉยไม่ดีไม่สนใจก่มันมไม่เกี่ยวเรานหนังสือนกก็ดีมันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วรสอมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะ คนว่าเรามีใจเนี่ยเราก็เฉยเฉยเฉยแต่ไม่ควรจะเฉยเลยเข้าใจไหมถ้าถ้าถ้าช่วยเหลือเขาได้ก็ควรจะมีความเมตตาช่วยเหลือกันไปไม่ใช่เฉยเฉยเพราะว่าไม่อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าใจทักช่ยเะแนะนำเขานี่ช่วยช่วยเขาเนี่เหมือนว่าเขาก็อยากให้ทำอยู่อะไรเนี่ยแล้วไปถ้าต้องปล่อยวางถ้าช่วยแล้วแนะนําแล้วก็ไม่เอาก็ช่วยได้ ตายไม่ไม่ควรจะเฉยแบบไร้เมตตาไร้น้ำใจใช่อใช้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่าช่ช่ใช่ใชรใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใร่ใช่ใช่ใช่ใช่าช่าช่ใช่นไ่้ช่รช่ใา่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ดช่่ ตายด้วยกันทุกคนถ้าตายแล้วมาร้องห่มร้องห้านี่ยแสดงว่าใจยังใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบใจยังไม่รู้ความจริงถ้าใจรู้ความจริงก็จะเฉยเหมือนกับฝนตกแดดออกตกก็ตกไปตายก็ตายไปจะทำไงไปห้ามเขาไม่ให้ตายได้หรือเปล่าใช่ไหมอยากเอาเขากลับคืนมาได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ร้องไปมันก็ทำนั้นร้องไปทาไม เสียน้ำตาไปแบบนี้นะอาละวาดคิว่าสมกลแกกรวลาก็ขอพักไว้เพียงเท่า น, นี้ก่อนไว้โอกาสหน้าทุกบ่ายสองโมงถึงสี่โมงก็ถ้าใครอยากจะมาก็มาได้ เอาของถวายตรงนี้เนี่ยน้ำไปสุติตรงนี้เอาไว้ที่นั้นแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้ให้เดี๋ยวค่อยย้อนเอาไว้ทช่นั้นก่อนก็ได้ละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราพิจารณาก่อนก็ได้เลยแล้วทีนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทีหลังก็ได้คือคือเอาไปวัดตรงนี้